อันนี God, ้ไม่ใช่อ้วนแต่คุณตามาเป็นจริงเรามีกลเขาลงไะมเราดูจะเป็นหลอกทำไมจะไปอ้วนท้าอะไรไ่้ยอะไรแท้หรอก็บอกตัวเองนะเนี่ยเลยครับว่ากลยเข่าลงไหมถ้ามีอะไรเนี่ยก็ดีด้วยอยากมโมก็เลแนะนำว่าเจะมาช่วชี้แนะให้หน่อย ช่วยต่อยอดให้นอนีๆเราพอใจนะจะได้เผยแค่ไม่เอาแล้วไหนที่เรารู้อย่างนี Ca ้แล <Parece> ้วเราไม่ขายท่อแล้วมันก็ตายเราตายกตายไปด้วยใช่าหเสียดายนะเสียดายนะมันมีก็ะมุมมาไหนที่ขานมั่อแต่ก่อนหัวแล้วมันพยายามฝึกพ้นพยายามที่หลังดีนะมัถามที่จะแนะนาคนหน่อยไอ้ฟาคนทุกอย่จริงหรือเปลาแต่ตอนนี้ไม่เห็นเลย ก็ไปเเชื่อเท่าไหร่ก็เอาตัวอะไรเข้ามาทดลองลดลูกพุกค้างของพอุมคนรต่อสู้อะไรอะไรน้าดูไม่ง่ายเลยทีราำไม่ถูกด้วยทีกระสุนโตไปอันนี้ธรรมทานสายกางสายกางแล้วเราเห็นสองข้างเห็นทุกข์เห็นสุขสุขก็อย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ทุกข์ก็คืออย่างนั้นอย่างนั้น เราให้เข้าไปว่าต้องไปชอบหรือต้องไปชังเียดทุกชอบสุขอะไรไม่ต้อ ง, งมีให้เห็นพ่าความเป็นจริงควสุขก็คืออย่างนี้อย่างนี้ครับมันไม่เหมือนกันแต่มันก็ไม่ตาม่า <c> ง <oughs> ไม่เหมือนกันนะแต่ไม่ตาม่างดูให้ดีๆ คืทนยากหน่อยรกู้เออทนาแต่สุกจทนง่ายหน่อยเก็นค่สิ่งบูรณขมาคนของกินที่ไหนอ่ะจริงป่ะสุกกินเหรอไม่จริงทุกกินเหรอไม่จริงเนี่ยเราจ็เป็นฟาไม่เที่ยเ็นเป็นทุกทนอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้กต้องแก่เจ็บตายไปนะอันนี้จำได้ว่าเกิดขึ้น แล้วแบบดับไปมีแล้ก็หายไปนั้ตายไปมันไม่ใช่ตัวตนไม่ควรถือว่าตัวเราของเราเราดูดิคนคนคิดแม้ว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยก็ของมันไม่เที่ยงเลยยึดให้แต่ไม่เชว่ว่าเราไปต้องไปเชื่อใครว่าเราอย่าไปยึดถือไม่ใช่นะเราจะเห็นว่ามันยึดไม่ได้นะ เราต้องมีปัญญาของเราเองเราต้องเห็นของเราเองไม่เชื่อพระเจ้าบอกอย่าไปยึดถืออย่าไปถือว่าเป็นตัวเราของเราแ้วเราก็คิดเออไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่นั้นเราต้องเห็นของเราเองต้องเห็นเหมือนอย่างพรเจ้าเองก็มันยึดไม่ได้เราก็จะมองเห็นมันยึดไม่ได้มันทําบัญชาไม่ได้อทุกขอนทุกอย่อยนั้นจิตยายมันทำได้ไ้ยไม่ได้สุดก็เหมือนกัน้นะ เหมือนอะไรเงี้ยตามกันแน่ไปตานกันแต่ ไ, ไม่เหมือนคนที่สุดระดับไม่มีเรือไม่มีอะไรอย่อยนี้โลกที่จะต้างอยู่เอาทั้งภ า, ายนอกภายในเหมนันสังขารอรุงแต่งนั้นเลยเดี๋ยวนี้ปุงแต่งอย่างนี้ปรุงแตง น, นแต่ตัวแท้ตัวจริงเขาม่มีรูไม่มีล่ามอะไรเราไม่มี บอกวีพูดตัน่นมีว่านันบอกเียบอกเก่งพูดตที่มันมีตัวมีตนนี่น่าศึกษานนะน่าเรียนรู้ควจะรู้เดิดมาแล้วไม่รู้อย่างนี้นรู้ความจริงนี่สคัญยิ่งาอะไรยิ่งกว่าเงินเร่งตะเคียน ช่วยดาวได้ตลอดตลอดการเราจะไม่มีทางที่ต้อกตังค์ในชีวิตเกิดที่จตกนรกไม่มีวันตกนรกได้รู้อย่างนี้มีทางตกนรกเราจะแยกไปกับคุณปอะเสร์ฐน่นะประเสิรูอย่างนีัประเสริฐ เตือนใจะใจ้วก็เตืนอยู่รู้เนี้อรู้ตัวอยู่เตืนอน ย, ย้ายเพื่อนต้องอย้า้เผื่อได้นะอ่งนี้นั่งหลับตาล้องอย้าเพื่อนตือนตาที่ไรด้วยตองแต่งไม่ไมเวลาเาเชื่อสิ่งตัวเลยรู้ไหหรือเชื่พ ย, าายัญชนะเหมือนกันแที่จริงคนจริงไม่จะเกลียดเช่ขพยัญชนาสิ่งโต้ แยกแก้วนะสั่งเลชีฉห้พ่อมีคนเล่นลูกหินจะปต่าไ่รูเรื่องนะนะอย่างนี้น่าสงสารยาหน้าเลยนะมีลูกแก้วสองตัดแยงแก้ววันนี้อย่างนี้เลยองนี้มันทำามแยกละใครจันโทบันปัญายโสอยากขามณีโชติยโสอยากขาเ้มพระจันทร์ในวันเพ็ญเหมือนมณีสว่างสวายควรยินดี เก้บพระให้พอนะหมายถึงอนนี้ให้เรารู้จังพอ น, นั้นนี่ให้รับพอ น, นันนี่ไม่เก็บพระให้อันนี้ให้กันไม่ได้นะ <c oughs> แต่ให้เรารู้จัง <c oughs> อยู่ในตัวเราอยู่ในจิตใจของ อันนี้ต่อันื้อค่าสามสิบนาทีคุณว่าครึ่งชั่วโมงครับะแล้วคุพช่วยอธิบายตรงสภาว่าที่รู้กับเห็นใรั้างเลงคะับสภาว่าตรงที่รู้รู้แล้วก็เห็นรู้ไหมเห็นไหมในข้างเลยครับตรงนี้โอ้โหบางทีลต่เชียร์อะไรพูดแต่เรื่องนี้แหะตัวเชี้ร์ให้รู้จักนะ ไม่ใช่บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ภาวะของยิดเดิมแท้ก็ไภาวะเดิมแท้ของเราเนีบโอริสุทและความเห็นผิดความหลงผิดที่ทำให้าไม่ลื่นเริงเราถึง้องไหลอยู่ในโลภสามชาติจังเจ เป็นมาตากอยู But, so ่เนี่ยเราไม่รู้มันจะวูบเบีอยู่อยู่ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่น่ากลัวมากนะปาตานี้นะอย่าคว่ขอให้รวยรวยก็มีทุกข์ไม่สนุกหรอกใช้ปะจนก็ไม่สนุกจนก็ทุกด้วยก็ทุกอย่างทุกข์อย่างรวย กะเป็นพระเจ้าเเจะทุกอย่างพระเจ้าเป็นเด่นถ้าไม่รู้อันนี้ไม่ยกเว้นเลยเข้าเทียนกันหมดนะไม่มีการเหลือบ้งนะเรื่องนี้แนววิดูแล้วดูมีอยู่นะดยู่เบาๆหาใจเข้าออกยาวพอดีพอดีดูเชยๆดู เห็นได้นีไรไนหะมความรู้สึกมีอะไรมนะั้งมีทุกข์มีสุขไหมไ ม, มียินดียินร้ายนะี้หมต้องการไม่ต้องการมีไหมมันคนไม่เอานะเนี่ยนะโอ้โหยอดที่สุดนะเยียวยานะอัน น, น, นี้เรคือพร้อไม่มีทุกข์ละว่างจังเลย ไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายเห็นดอวยตอนที่ยังไม่หลุดพ้นอตาเลยเราก็ไปเกิดเป็นพมเนี่ยพงหมมีถึงยี่สุดคั้งเนี่ยพรไม่มีอยู่มึงมีชายฮะผู้หญิงชายเนี่ยเราเั็นหลงเพศกันนะใช่ไหม เราไ่อยู่ในในเพอันนี้แล้วเราก็ัมาหลงเรามาติดรมาเย็ดอันนี้อันนี้ําได้เห็นความรู้สึกจริงๆมันเข้าไปหมดเลยหญิงผู้ชายก็เท่ากนลองดูนะไมนได้ต่างกันเลยอ่ยเดีในอันนี้นะมไม่มีผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงชายนี่ทาไม่ยุ่งน้าดูเลยใช่ไหมทไมรู้จักละมัวเปานี่ทุกวันตยๆนะนครับคนถ้าเรารู้อย่างนี คนไทยคิดเนะนี่ดูเยอะเลยไม่ดูความรู้สึกหรือดูจิตใจอันเดียวกันนะพเราดูเรืยดูเฉยๆเขาจะปรับเองเขาจะปกติบางครั้งเราเถอะไปมจะดูปนแดง เราดูเฉยต้องรอได้พอยได้นะบางครั้งดูต้องรอได้พอยได้บางครั้งมันงุ่งแต่งก็เป็นวิบากกรรมแล้วอันนี้เราดูเฉยๆเขาจะคกอยๆกรจายออกไปค่อยๆหลายไปค่อยๆปลดเสื้อไปยังเทีย นับจะไดผมกดไม่ได้ดูเยเฉยเฉยเฉยจะเห็นเองเลยเนได้เห็นได้ทีเดียนี้ไม่ต้องทาอะไรสงบก็มีอยู่ใช่ไหพักอยู่กิน็พัอยูู่้อยากพักความรู้สึกแต่พักนะดีไหธรรมดาเมนเด็นะที่เรามาดูนี่กินแตไม่ได้พักไอยู่ตลอดทุก์ลล่นหลีกตลอ หนาผัวไหมเห็นนี่โอ้มีกี่นทีพกพักมีพลังขึ้นมีกาลังใจขึ้นกำลังใจแล้วมัมีมันเสียพลังย่าอยู่ตลอดเวลาเชียนเดือนน่นอาก็คือทุกข์ที่อยู่กับทุกข์ไปไหนก็ไปกับทุกข์ไปกินาทีพักหยุดก็เดือนป็นนิพพานขึ้นมีอะไร นิพพานมันจะเห็นโดยการไป้วยการมาเห็นโดยการหยุดสิจิตที่หยุดเราเห็นหยุดจิตมันหยุดความรู้สึกเราหยุดไม่แค่เราหยุดนะนะความรู้สึกเขาหยุดอยู่เ้าหยุดแล้วเขาปล่อยแต่ยะาอ่ไปอ่านนะให้ัเป็นไปมานะอย่าอ่านอย่าอ้านก็จะเห็นชัดเลยยิ่งนชัดแต่ต้องเบาๆนะต้อเบาพส่วนมากเราจะเคยคิ่งแต่การว่าเราจะต้องมี อันหรือไปทำอะไรขึ้นมาปวดเมื่อยอะเป็นที่ขาได้หมดมจะไม่ปวดไม่เมื่อยไปทำบบาดโรคไปในตัวจะไม่ใคยมีโรคภายไขยเจ็บมันก็ไม่เครียดโอเคใ พอ้หนต่น า, นนะงงางนะได้นะโอ้โหจริงจริงนีมากว่านนี่ต่างเลย่านมาเยอะแล้วเนี่แต่ผมพูดไอ้ น, นี่ง่ายขึ้นไม่ใช่เป็นการบรรยายให้ฟังไม่ใช่นะอนนี้เป็นการชี้ให้ดูของจริงเลย